กระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักและท่านผู้เจริญกระผมนั้นอยู่ปริวาดแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองและพึงขอแม้ครั้งที่สามและภิกษุผู้ฉลาดสามารถ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 ขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่ภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่ภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่า ละแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวสงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้